มีน้อยเราก็ทำตามน้อยมีมากก็ทำตามมากขึ้นที่ว่าความดีแล้วใครจะทำเผื่อใครไม่ได้ดอกใครทำก็ใครได้เพราะฉะนั้นนอย่าไปอ้างคนนั้นไม่ทำคนนี้ไม่ทำ แล้วก็ท้อใจเสียอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะความสุขความทุกข์เราจะแบ่งกันไม่ได้ต่างคนต่างต้องทำเอาใครทำก็ใครได้ใครไม่ใครไม่ทำก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการกระทำ ไม่ใช่อยู่เฉยๆ้วมันเกิดขึ้นเป็นขึ้นมันเกิดจากการกระทำการกระทำในใจได้แก่ความคิดเมื่อคิดถกลงอย่างไรแล้วกว็ถึงใช้กายทำใช่วาจาพูด มันเดียวมันการกระทำนะมันพร้อมทั้งไตรทวารเลยดังนั้นอนะ่ะมันการกระทำทุกอย่าง ม, มีใจเป็นผู้นำเช่นนั้นจึงต้องอบรมใจให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาการกระทำนั้นนั้นมันก็จึงจะเป็นไปเพื่อวามจเจริญ ถ้าหากว่าจิตนี้ไม่ฉลาดแล้วทำอะไรลงไปมันก็ไม่ก้าวหน้าไม่เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้เต็มที่ดูแต่พระบรมศ า, ศ า, ศาสตร์ดาพระองค์ทรงแสวงหาโลกุตรธรรม อยู่ถึงหกปีน่งสโนคียธรรมนั้นพระองค์ได้แล้วก็ได้ทราบประวัติความเป็นมาว่าพระองค์ทรมานพระองค์อดนอนผ่ออาหารจนว่าร่างกายสู้ผอมก็ยังไม่พบหนทางตัดสรสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อมารู้ทางสายกลางหน่วยธรรมนิมิตแล้วนั่นแหละจึงได้ทรงเที่ยววินธบัตมาฉันเมื่อมีกำลังกายดีแล้วก็จึงได้นั่งขัดสมาธิอธิษฐานใจถ้าไม่ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิยาน ในคำคืนวันนี้แล้วก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี่เลยเนื้อหนังมังสาจะเหี่ยวแห้งไปเส้นเอ็นจะหลุดกอกจากกันไปก็ตามแต่เรื่องมันถ้าความประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างไรไม่สำเร็จแล้วเราจะไม่ไปจากที่นี้เด็ดขาดเลย พระ อ, องค์ทรงตั้งอธิษฐานในพระทัยตรงอย่างนั้นแล้วก็เจริญอนาปานาสติทั้งสติกำนดลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้บรรลุฌานไปโดยลำดับจนถึงอรูปฌานแล้วถอยกลับมาอยู่ในเจตุธชฌาน จะเริยนวิปัสสนาไปก็ได้บรรลุจุเบเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติหนุนหลังได้ว่าแต่ชาติก่อน น, นพระ อ, องค์เป็นมาอย่างไรก็ทรงรู้แจ้งหมดเป็นสุขเป็นทุกข์มีความจเจริญความเสื่อมอย่างไรก็รู้แจ้งหมดสิ้นสงสัยในความ เกิดของพระองค์เมื่อยับยังพักจิตไปถึงตอนเที่ยงคืนก็จเจริญวิปัสนาก็รู้แจ้งในความเกิดความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เพราะกรรมคือการกระทำไม่ใช่เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆในสากลโลกเหมือนอยังมนุษย์เรียกร้องหาอยู่ทุกวันเนี่ยมาโดนบันดาลให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์พระองค์ปฏิเสธมดเรื่องเรื่องนี้นะมันไม่มีมูลความจริงคนทั้งหลายเดาเอาเฉยเชื่อทำตามกันมานี่ะท่านเรียกว่าเชื่อมองคนตื่นข้าวขันพ่อหนึ่ง ว่ามาแล้วผู้นึงก็บอว่าต่ออี ก, ก ต, อต่อต่อต่อกันไปเลยโดยไม่ได้พิจรนานรณารู้แจ้งแทงตลอดในเหตุผลเรื่องนั้นว่ามันมีจริงหรือไม่จริงไม่มีใครรู้ได้เลยเชื่อตามตามกันมาอย่างนั้นแหละนี่ท่านได้ ว, ว่าถือมงคลตื่นข่าวมันไม่เป็นทางพ้นทุก ไม่เป็นความจริงเพราะองค์นั้นหายหลงหายเมาในเรื่องหมูลนี้แล้วเพราะว่าพ้ายงานที่สองบังเกิดขึ้นในพระไทยเห็นแจ้งว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำนั้น สิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์พูดสันส้นๆเข่าใไหมความว่าบาปก็ละหมดแล้วบุญก็ทำให้เกิดให้มีเต็มบริบูรณ์แล้วไม่มีอันจะทำต่อไปอีกแล้วเช่นนี้กิเลสมันก็หมดไปพร้อมกันนั่นแหละ ที่ท่านเลวถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานอันนี้นะฟ้าเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี้จะพึ่งพิจารณาให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองเมื่อมันไม่เห็นด้วยตนเองก็ไม่มีกำลังใจที่จะเพียนละความชั่วให้หมดไปสิ้นไป ไม่มีกำลังใจที่จะทำความดีให้สูงขึ้นให้เต็มบริบูรณ์เพราะมีความรู้ความเห็นอย่างนี้จะเกิดขึ้นในใจจึงได้เกินตนอยู่เสมอว่าเรายังละบาปไม่หมดนะเรายังทำความดียังให้เต็มบริบูรณ์ยังไม่ได้ก่อนอย่าไปท้อถอยความเพียร ต้องทำความเพียรไปเรื่อยๆจนกลัวว่ามันจะเต็มบริบูรณ์คือบุญกุศลนะ่ะมันจะเต็มบริบูรณ์เมื่อได้มันจึงจะได้ยุติความเพียรความพยายามสั่งสมบุญกุศลนี้ให้ตั้งความหวังไว้ในใจอยู่อย่างนั้นแล้ว เ, เราก็ กาทำอุบายเนี่ภายในใจเลื่อยไปการที่บุคคลมาทำใจให้สงบมันก็เป็นการสั่งสมบุญกุศลเพื่อให้เต็มเร็วการเจริญปัญญาพิจารณาเห็นสังขาร น, นามรูปหรือว่าสิ่งอื่นๆเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดของรับ เป็นของไม่ใช่ตัวตนพิจารณาบ่อยๆมันค่อยคลายความยึดถือออกไปเรื่อยๆทีแรกมันก็คลายความยึดถือในทางที่ชั่วก่อนคือไม่ใช่ขันหานิธรรมความชั่วผู้ใดอยู่ในเพศใดภูมิใด ก็รักษาคุณความดีของตนอยู่ในภูมินั้นเพศนั้นไว้ได้ไม่ให้เสื่อมอันนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้เห็นแจ้งในกรรมในผลของกรรมเห็นแจ้งในการละหรือการกระทำ แล้วพยายามทาไปเรื่อยๆอันบาปนั่นมันมีอย่างหาบอย่างกลางอย่างละเอียดเช่นเดียวกับบุญกุศลคุณธรรมนั่นเองเมื่อระบาปอย่างหาบได้แล้วมันก็ยังอย่างกลาง เมื่อละอย่างกลางได้แล้วมันก็ยังอ ย, งอย่างละเอียดดังนั้นน่ะท่านจึงสอนให้ทำความเพียรพยายามเลื่อยไปทำจิตให้ละเอียดเข้าไปดูลำดับทำปัญญาให้แหลมให้ละเอียดเข้าไปเผื่อมันจะได้รู้กิเลสส่วนละเอียด นั่คำว่าบาปนั่นแปลว่าอารมณ์ที่ทําใจให้เศร้าหมองขุนมัวอารมณ์อนใดที่ทำใจเศร้าหมองขุนมัวนั่นแหละเรียกว่าบาปดังนั้นเมื่อจิตใจมันขุนมัวลงไปให้รู้ว่าบาปนั้นนะมันเกิดขึ้นในใจดังนั้นต้องกำหนดละมันไป ฉันว่าอารมณ์อันทำใจขุ่นมัวนั้นเพิกออกไปดับไปจากจิตใจนี่แล้วใจก็ผ่องใสขึ้นมานั่นเรียกว่าเพียรละบาปนะเมื่อละบาปได้บุญก็เกิดขึ้นอย่างว่านะจิตใจผ่องใสเบิกบานขึ้นมา อิ่มไม่เดือดร้อนไม่กังวลไม่กรวนกะวายอิ่มยุมเหมือนอย่างคนรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆนั่นแหละดันั้นเมื่อมาถึงตอนนี้เราจะพิสูจน์ได้ว่าไอ้ใจที่จะเศร้ามองคุณมัวใจที่มันไม่สงบ ลงได้เนะี่ยมันล้วนตั้งแต่บาปนี่เนะี่ยมันคอยขัดขวางไม่ให้จิตรวมลงเป็นหนึ่งได้เหตุด้าน菩萨ทศาาดาจึงได้ทรงสอนให้เพียนพยายามละบาปนี่ออกไปเมื่อละบาปออกไปได้เท่าไรบุญก็เกิดขึ้นเท่านั้น จิตใจก็ของใสสะอาดขึ้นเท่านั้นเนี่คันว่าคำว่าเพียรละบาปบำเพ็ญบุญนะก็ให้พึ่งเข้าใจมันเป็นคู่กันน ะ, ะเหมือนอย่างทองคำธรรมชาติอย่างนี้นะฝังอยู่ในดินในหินดินรือหินหุ้มห่ออยู่ มันจะเปล่งเหมือนรัศมีสีแสงของตนออกมาไม่ได้เลยไม่มีแสงอะไรปรากฏทีนี้เมื่อขุดค้นเอาขึ้นมาเอามาทำความสะอาดเจียรในขับไล่สนิมออกไปแล้วแก้วหรือว่าทองคำนั้นมันก็ส่องแสงสว่างออกมาในตัวเลยอืม มีสีใสเพราธรรมชาติของแก้วของทองคํามันใสอยู่แล้วไม่ต้องได้ไปตกแต่งให้มันใสหรอกมันใสอยู่แล้วแต่มันมีดินมีหินหุ้มห่ออยู่มันจึงดูเหมือนว่ามันเศร้าหมองอืมไม่มีสีสันวั น, นะอะไร แต่ขั้นเมื่อขับไล่สนิมหรือว่าดินหรือหินนั้นออกจากทองคำนั้นแล้วมันจึงส่งแสงออกมามีสีสุกสกาวจิตใจคนเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อลา ก, กีเลตอันมันเป็นค่าศึกแก่ความสงบหรือความห่องใส อันนั้นออกไปแล้วจิตใจนี่มันก่อผองใสในตัวของมันเองเลยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นอย่าพากันเกลียดคร้านคนเราจะมีความสุขได้ก็เพราะจิตใจผ่องใสเบิกบานไม่มีกังวลอะไรในข้างหน้าและข้างหลังมีแต่กำหนดรู้แจ้งในธรรมอันเป็นปัจจุบันอยู่ รู้อะไรรู้จิตตัวเองนี่แหละจิตนี่แหละเมื่ออบรมดีแล้วมันก็เป็นธรรมเป็นกุศลธรรมเมื่อเห็นแช่งอยู่ในปัจจุบันนี่ว่าจิตนั่นอยู่ด้วยกุศลธรรมเช่นเมตตาปราทนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากัน การุณาความสงสารที่จะช่วยสัตว์ต่างหลายพ้นจากทุกข์เป็นต้นเหล่านี้นะเมื่อใจของตนมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่อย่างนี้นะความโกรธความพยาบาทอะไรมันก็ไม่มีเมื่อคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว อ, อมันเป็นอย่างนี้ที่ที่ท่านว่าเมื่อพิจารณาเห็น ทำอันไม่งอนแง้ไม่ค้อนแขลนนะั่นนั่นแล้วให้พึ่งเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองก็เมื่อว่าเพ่งพิรณาเห็นว่าจิตตัวเองนั่นไม่โลภอยากได้อะไรแล้วไม่โกรธใครอย่างนี้นะไม่หลงสําคัญว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา เห็นแจ้งว่าขันห้านี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเป็นแต่เพียงสภาว ธ, า ธ, ธรรมอาศัยกันอยู่เท่านั้นเมื่อมหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกแตกกลับทำลายลงเห็นแจ้งประจักษ์อย่างนี้นะก็พยายามเจริญความรู้ความเห็นอันนี้ ให้มันปรากฏอยู่เสมออย่าให้มันเลือนหายไปอันนี้นหละมันจะอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปศีลก็เป็นอินทรีย์อันหนึ่งสมาธิก็เป็นอินทรีย์อย่างหนึ่งปัญญาก็เป็นอินทรีย์อินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่ ในตนนั่นเนี่ยไม่ตกเป็นทาสของสิ่งอื่นได้มีอิสระเสรีส่วนตัวท่าน่างเรียกว่าอินเชิพละคือว่าธรรมเหล่านี้เมื่ออบรมให้เกิดมีขึ้นในใจแล้วทำให้ใจมีกำลังเข้มแข็งสามารถเอาชนะ กิเลสต่างๆได้นี่มันเป็นอย่างนี้การที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทปฏิบัติธรรมมีจุดมุ่งหมายอย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจถ้าไม่มีกิเลสตัณหามาก่อขวนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่ ศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีให้เข้าใจอย่างนั้นเหตุที่จะมีศาสนาตั้งขึ้นมาจะมีพระพุทธเจ้าผู้บรรยัติศาสนาก็เพราะเหตุว่ามันมีกิเลสอย่างว่านี่แหละรบกวนจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายให้เป็นทุกข์เดือดร้อน ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเกิดมาชาติใดหรือว่าเกิดไปที่ไหนกิเลสมันก็ติดตามไปตกแต่งความสุขความทุกข์ให้อยู่อย่างนั้นมันมันจะไม่ลดละเลยกิเลสเนี่ย มันจะติดตามดวงจิตนี่ไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อมันไปตกแต่งร่างกายนี้ให้มาแล้ววันนี้มันก็มาตามให้ผลนะมันนี้มันก็บังคับจิตให้อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ไม่มีที่สิ้นสุดลงไป เมื่อความอยากมีการแสวงหามันก็ต้องมีเมื่อการแสวงหามีความได้มันก็มีเมื่อได้มาแล้วก็มารักษาการรักษาสิ่งของในโลกอันนี้นะมันแสนยากแสนลำบากดูจากคนรูปร่างสวยๆงามๆอย่างนี้นะ อยู่ยากเต็มทีนะใครก็อยากได้แย่งกันานี่ที่คันลำเอียงไปกับคนใดคนหนึ่งเข้าคนอื่นไม่ได้ก็เสียใจเอาวางแผนฆ่าทิ้งส้ม น, นะอย่าให้ใครได้ทัพย์ทุนนี่แหละความอยากความอยากได้ ความเป็นอยากมีอยากเป็นความอยากมีลูกสวยลูกงามอย่างนี้มันก็เป็นเวนนะในโลกอันนี้นะถ้ามีลูกที่ร้ายเป็นที่รังเกียจของคนทั้งหลายใครก็ไม่ชอบเนืยองมามันเกิดมาในโลกนี้มันแสนยากแสนลำบากจริงๆทั้งลูกที่ร้ายทั้งลูกสวยลูกงาม กระโนนแต่ไม่เที่ยงเหมือนกันหมดมีความแตกความดับเป็นที่สุดเหมือนกันหมดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสมควรแล้วหรือที่จะมายึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราถ้าไปยึดถือมันก็เป็นทุกข์อย่างนั้นแหละเมื่อยึดถือรูปกายที่ตนอาศัยอยู่นี่แล้ว เมื่อรักใคร่ในรูปนาที่ตนอาศัยอยู่นี่แล้วมันก็ลามปลไปรักใคร่ในรูปอื่นนาอื่นไปอีกกิเลสตัณหามันไม่ให้หยุดอยู่ที่เดิมมันบันดาลให้อยากได้อะไรต่ออะไรอยู่นั้นไม่มีที่สิ้นสุดลงได้มันเปน็นยาง้น เพราะฉะนั้นน่ะการที่เราทำความเพียรจากต่างถ้าเป็นผู้ครองเลือนเ า, าเป็นการให้ทานกรดีการรักษาสินห้าสินอุโวสถก็ดีหรือเป็นสมณนะเป็นนักบวชรักษาสินสิบสินสองร้อยิบเจ็ดก็ดีการไหวพระภาวนา หมู่นี่มันนุ่นตั้งแต่เราพยายามละบาปประทำรรกรรมอันชั่วต่างๆออกจากหัวใจนี่ทั้งนั้นเนี่ยคนเราในท่านละกรรมอันชั่วนี่ออกจากใจนี่ได้หมดเสร็จแล้วอย่างเนี้อะ่ะมันมีแต่กรรมดีอยู่ในหัวใจนี่มันมันแสนสุขสบายเลยแบบนี้ เราได้บุญกุศลเป็นกำลังใจล้วบ้านี้มันก็เป็นเหตุให้ทำความดีไม่หยุดไม่หย่อนนะบ้านี้ขยันทำความเพียรเนี่ยได้บุญกุศลได้คุณธรรมอันดีงามเป็นกำลังใจล้วมันจะไม่ท้อถอยเลยการปฏิบัติฝึกตนไอ้มันเกิดเกลียดคลานขึ้นมา มันไม่เอาไหนน่ะเมื่อก็นเรื่องมาแต่ปล่อยให้กิเลสครอบงำใจเรื่องมันน่ะปล่อยให้กิเลสมันหุ้มห่อจิตใจนี่ใจเรามืดมัวมองไม่เห็นหนทางที่จะดำเนินไปมองไปว่าการเราทำข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้น่ะมัน มองไม่เห็นว่ามันจะมีผลดีอะไรเลยอย่างนี้นะนั่นแหละมันเป็นเหตุได้ทอ้อใจอ่ะแต่ถ้าพิจารณาไปตามอำนาจแห่งความรักความใคร่ต่างๆรากฏว่าใจมันดูดดื่มเต็มทีมีความสบายใจสุขใจเมื่อใจได้อารมณ์เช่นนั้นขึ้นมาแล้ว นั่นแหละเรียกว่ามันหลงกลของมารคือกิเลสมารมันกระบรดานให้มีความสุขไปได้ชั่วคราวเหมือนกันแต่มันสุขประเดี๋ยวประเด้าหนึ่งนะสุขไม่นานอะไรเดี๋ยวความสุขนันก็หายไปแล้วเมื่อความสุขนั้นหายไปความทุกข์ก็เกิดมาแทนจิตใจอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่จะไม่ให้จิตใจมันเปลี่ยนแปลงพลิกแพลงไปมาอย่างนั้นท่านจึงสอนให้ควบคุมจิตนี้ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นพื้นฐานไว้เมื่อรักษาสมาธิไว้ได้เช่นนี้มันก็ไม่ค่อยมีอาการขึ้นลงสูงต่ำในจิตนี้นะ มันก็มีความรู้สึกสม่ำเสมอไปแต่พร้อมกันนั้นก็เจริญปัญญาไปพร้อมเห็นอะไรก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทุกอย่างในโลกอันนี้นะ่ะตาเห็นรูป ก, ก็ดีหูได้ยินเสียงก็ดีจมูกได้ดมกลิ่นก็ดีลิ้นได้รับรสอาหารก็ดี กายได้สัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีใจได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้นก็เท่ากับแต่รู้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาแล้วก็ไม่ใช่สวยงามแล้วก็ไม่ใช่ขี้ร้ายอย่างที่โลกสมมติกันนั้น ถ้าพิจารณาถึงธาตุแท้ของรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้แล้วมันมีแต่เกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นไม่ไม่มีดีไม่มีชั่วอะไรถ้าพิจารณาให้ถึงที่สุดแล้วนะเป็นแต่สภาวธารมเท่านั้นเองนั่นแหละเราต้องเพ่งพิจารณาลงไปให้มันเห็นเป็นสภาวธรรมล้วน อย่ามันเห็นอย่าให้มันเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขากระดอกพิจารณาลงไปอย่างนี้มันจึงลบสมมุติลบบัญญัติออกจากจิตใจนี้ได้เรื่องอย่างนี้นะมันต้องอาศัยความเพียรเพราะว่า จิตใจนี่มันเคยยึดถือรูปนามขันห้าอันนี้มานมนานกา ล, ลีเดี๋ยวเราจะมาสอนให้มันละเอาพงเอาวางเอาง่ายๆเนี่ยมันไปไม่รอดเพราะว่ามันอะไรหลายมันเคยได้อยู่อาศัยขันห้านี่มานานแล้วนับพบนับชติไม่ทวนและที่ร่วงแล้วมานี่ต้องคิดดูให้มันเห็น แค่นั้นจะมาสอนในีมันปรงมันวางเอาง่ายๆอย่างนี้นะถ้ามันสอนมันปรงวางได้ไง่ายๆอย่างนี้ทุกคนก็ไม่มีความทุกข์ความร้อนอะไรแล้วมันก็สบายกันอยู่หมดแล้วในโลกอันนี้นะกระผมันไม่ใช่ว่ามันจะปรงวางเอาโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยได้เพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นทน พระองค์พิจารณาด้วยโยนิสมนานสิการย่อมเห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆการมาใส่อยู่ในขันหานี่ยใครเป็นทุกข์หรอกระดวงคิดนั่นแหละไม่ใช่อย่างอื่นแล้วร่างกายนี้ถ้าปราศจากดวงคิดนี่แล้วมันไม่รู้จักร้อนรู้จักหนาวไม่รู้จักเก็บจักปวดอะไรหรอก มันก็เหมือนท่อนไม้ท่อนกล้วยที่เขาตัดทิ้งไว้บนดินหมู่นั้นใครเก็บฟักฟันบั่นทอนอยังไงมันก็ไม่เจ็บไม่ร้องควรคร้างอะไรเลยซากศพคนที่ตายแล้วจิตวิญญาณออกจากร่างแล้วมารุมกัดกันกินอย่างนี้มันก็ไม่ร้องควรคร้างไม่เจ็บไม่ปวดอะไรนั่นแหละพิจารณาให้มันเห็น ทีนี้ถ้าว่าจิตยังคองอาศัยอยู่อย่างนี้นะแม้อะไรมาถูกน้อยหนึ่งมันก็เจ็บเป็นอย่างนี้นะียเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พิจารณาให้มันเบื่อมันหน่ายตอบความทุกข์ในขันธ์ห้านี้เพราะเหตุว่า มันเกี่ยวกับปัญญายังไม่เพียงพอปัญญาความรู้ความฉลาดยังไม่เพียงพอหรือพูดอีกแน่หนึ่งได้ว่าบุญกุศลที่สั่งสมมายังไม่พอที่ใ ย, ยเกิดดวงปัญญาอันประเสริฐเช่นนั้นมันจึงค่อยคงไม่ตกวางไม่ลงขันห้านี้นะ ดังนั้นเน่ยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งใจรักษาสมาธิจิตนี้ไว้ให้ได้มันจะเป็นบ่อกเกิดแห่งบุญกุศลแห่งปัญญาความรู้ยิ่งเห็นจริงเรื่อยไปจนตลอดบรรลุถึงซึ่งพรนิพพานข้ออาศัยสมาธิเนี่ยเป็นพื้นฐาน ดังกล่าวมา